พระธรรมเทศนาของท่านหลวงตานักลงศักดีนารโยต่อความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อ่าทำไมถึงถามเลยมีใครถามบ้างมาแล้วก็ถามให้กให้เพี้ยนสงสยัยอุษราเดินทางกันมาไกาลรถลาติด ของเราต้องถามแล้วถ้าไม่ถามเราเราสอนไม่เป็นต้องถามอ่ะม า, ม, า, ม, ม, ามีเรื่องขอในบางอย่างคือว่าประมาณเดืด่วงเนี้ยครับผมแบบเริ่มอะไรก็เป็นไพย่ามที่จะแคมปิวเรื่องว่าจะป็นยังไงต่งางๆเพื่อล่จะได้ เ้วก็ทอย่างนี้แล้วมันเริ่มเป็นอะไรจนิยแบบไปที่ไหนเราจะโดแสมัยผ่านรารแบบเี้ยไปอรย่างเงี้ยตอนนี้เรมถือว่าาด้รับการกระตุ้นที่ดีะอันนี้คือโเที่จะทให้มีเมตตาที่ออกจากใจนะอย่าไปบิ้วอารมณ์ม่อเมื่เื่อเมื่อเมือเ่อเม่อเเมมมเอเื่อเมเ อ่า อ, อ่าได้ได้อย่างนั้นแหละต้องต้องมีเมตตาที่ออกจากใจนึกไปเรื่อยเมื่อก่อนเราก็ทํานะเรื่องเมตตาเนี่ยเราก็พิจารณาอย่างเงี้ยเราก็เพ่าใจมา่ก่อนเราก็แข็งเมื่อก่อนเราแข็งมากเลยใจแข็งมันเหมือนกับแข็งกระด้างไงไม่ทราบจิตใจอ่ะเราชอบเรียนแต่วิชาบูบ๊ แล้วกนตัวเองก็ชอบบูชอบบูเป็นเป็นก็บวกาชอ บ, บชอ บ, บ, ชอ บ, ชอบต่อยชอบอะไรเนี่ยเรียนหมดเลย ว, วิชาต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ชอบแบบนั้นนหละมันจิตใจมันแข็งแข็งมันกระด้างอะไรไม่ทราบชอบในเรื่องบู๊บู๊ทั้งทุกทางน่ะเราก็ต้อง หักตัวเราเองอ่ะเพราะนิสัยเราเป็นคนแข็งกระด้างแบบนั้นอ่ะชอบหลงบู้หลงอะไรเราก็ก็มาหักตัวเราเองเราก็ไอ้ที่เขาเขียนบทเมตตาแต่ละแต่ละบทละบทเกาเขียนไว้มันไม่โดนใจเราคือมันไม่เขาเขียนไว้แปลรีแล้วเขาแปลสัตย์เตสัตตาอย่างเนี้ยหลายบทไม่ว่าจะบทอะไรต่างๆที่ก็หลายบทที่เรื่องเมตตาที่เขาแต่งๆมันไม่โดนใจมันไม่ใช่ของเรา เราก็เอาใหม่แต่ไม่จําเป็นต้องเหมือนเรานะแต่เราเพียงแต่ ว, ว่าให้แนวทางคือบางครั้งเราเดินจงกลมเนี่ยพอเราว่าใจเรามันเรื่องอะไรการพิ narr ่างกายมันไม่มีปัญหาต่อร่างกายต่อจิตใจเรายแล้ ว, ลวคือปล่อยวางเรื่องการหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนและร่างกายคนอื่นแล้วเนี่ยอยการพิ n a r เมตตาเนี่ย แต่ก่อนที่จะวางได้เราพี่น่ะเมตตก่อนนะไม่ใช่แบบวางไปก่อนแล้วมาพี่น่ะก็เมตตาคือเราเนี่ยพี่น่าเมตตาก่อนอาจจะเป็นพ่อตัวนี้ทําไม่วางได้ง่ายใจมันอ่อนโยนลงคือเราก็นึกถึงความเป็นจริงของตัวเราอ่ะคนอื่นเขาเขียนบทเมตตาแต่ไม่โดนใจเราเราก็นึกว่าจิตใจเรามันแข็งกระด้างเพราะอะไรเรามีความโลภมากไหนนี่ยมันโลภมากอยู่แล้วเราเอเราอยากรวย เราอยากรวยมากมามีใครบ้างในโลกนี make them make them ้ไม่อยากรวยเราอยากรวยเอ้าเราก็ไม่ไม่สืนความจริงเราอยากรวยเราก็นึกตัวเราเองว่าเราอยากรวยเท่าไหร่เราอยากรวยเท่าไหร่เรานึกให้มันเว่เว่อร์ไว้เลยไหนมันจะสมมุติแล้วมันก็สมมติมันเว่อร์เว่อร์เยไหนไหนเราอยากรวยแล้วก็สมมติทั้งทีก็สมมติมันเว่เว่อร์เลยสมมุติว่าเราอยากรวยหมื่นล้าน หรือแสนล้านก็ได้ในนี้สมุติว่าสมุติเวอร์กไปเลยเราอยากรวยแสนล้านให้มันหายหายอยากเลยเราก็นึกอยู่อย่างนั้นแหละขอให้เราเนี่ยรํารวยถึงแสนล้านให้ได้แล้วเราก็นึกถึงคนที่เรารักเอาคนใกล้ตัวก่อนคนที่เรารักมีใครบ้างถ้าเรามีภรรยาสามีมีลูก มีหลานมีพ่อแม่มีพี่มีนอ้องเราเค่อยนึกแต่ละคนให้เขาให้คนที่เรารักทั้งหมดเลยให้เขาได้มีความร่ารวยมากกว่าเราอะเช่นว่าเราอยากรวยแสนล้านให้เขารวยมากกว่าเราเป็นร้อยร้อยเท่าใหม่ๆเนี่ยมันก็นึกไม่เคอยออกหรอกมันเป็นคิดเอาแต่เราก็นึกบ่อยๆบ่อยๆจนรู้สึกว่าเราอยากให้เขาอะทุกคนเนี่ยรวยมากกว่าเราเป็นร้อยเท่า เราอยากรวยเท่าไหรให้ทุกคนเนี่ยรวยมากกว่าเราร้อยเท่าแล้วเราก็ค่อยๆไล่ไปตั้งแต่คนที่เรารักไปถึงญาติพี่น้องที่ไกลออกไปเรื่อยๆลุงป้าน้าอาแล้วก็ค่อยๆไกลตัวออกไปเรื่อยๆเพื่อนฟูงค่อยๆไกลตัวไปรวยลูกน้องเจ้านายค่อยๆไกลตัวออกไปเรื่อยๆทีเรารู้จักทุกคนแล้วค่อยๆไกลตัวออกไปจนถึงคนที่เราเกลียดจังพอถึงคนที่เราเกลียดชังสะดุดเลย เราให้คนอื่นมาเรื่อยๆ ต, ตลอดใจเรารู้สึกอย่างนั้นจริงตามไปเลยแต่พอเรารู้สึกว่าพอให้คนที่เราเกลียดจังสะดุดกึกมันให้ไม่ออกคนที่เราเกลียดจังจะให้เขารวยกว่าเรามากกว่าเราร้อยเท่าเนี่ยมันให้ไม่ออกมันทําอยู่นานนานมากเลยเนี่ยกําหนดอยู่นานคือว่าพี่นานพีนพน่แบบว่าคล้ายๆกับนึกน้อมใจให้เขาจริงๆให้เขาเนี่ยป่าสนาออกจากใจให้เขาเนี่ยรวยมากกว่าเราร้อยเท่า พันธวีให้เขารวยมากกว่าเราร้อยเท่าพันธวีทุกคนเลยแล้วก็พอมันทะลุไปได้แค่นั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเลยมันไปถึงคนอื่นได้อีกตอนนี้ก็ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเทวทิวดาอินพรมยมยากษนากขุนมนุษย์ก น, นัตันสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนทุกปกิดแก่เจ็บตายด้กันทั้งหมดตั้งสี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใดตอนนี้ยเราให้หมดเลยพอทะลุคนที่เราเกียรชังได้แล้วทะลุไปได้เลยแต่พอถึงแล้วเราให้ไปมากๆแบบนั้นเนี่ย รู้สึกกำลังมันไม่มีมันอ่อนแรงเราเลยเอาใหม่ให้ทีละด้านคือด้านที่อยู่ด้านหน้าเราทั้งหมดเพราะมันง่ายดีพวกที่อยู่ด้านหน้าเราเเรานึกว่ามันก็อ่อนไข้างหน้าจะไม่ง่ายกว่าไปข้างหลังเราก็เลยนึกเอาพวกที่อยู่ข้างหน้าเราทั้งหมดเพราะว่าเวลานึกทั้งหมดแล้วมันนึกมันกำลังมันเหมือนไม่มีแรงเราพอนึกให้ผู้ที่อยู่ข้างหน้าเราทั้งหมดเนี่ยด้านหน้าเราทั้งหมดไปไกลไม่ว่าจะอยู่ ไกลขนาดไหนไม่ใช่แเราผักความรู้สึกออกไปนะหมายถึงว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลเพียงใดเนี่ยไม่ว่าจะอยู่จนภพภูมิใดโลกธาตุใดไม่ว่าจะอยู่ไกลเพียงใดในด้านหน้าเราทั้งหมดไม่ใช่เราผักความรู้สึกออกไปแต่เรานึกถึงเขาทุกคนที่อยู่จนทั้งไกลออกไปไม่ว่าไม่เลือกที่รักนาที่ช่างไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ดีไม่ใช่มนุษย์ก็ดีให้รวยกว่าเราทั้งหมดเลยทุกคนรวยกว่าเรามากเป็นมากกว่าเราร้อยเท่าพันทวี ดูกระทำมันเป็นความรู้สึกจริงๆออกว่าจากใจจริงๆแต่ใช้เวลานานไม่สมควรใช้เวลานานาหลายเดือนอยู่เหมือนกันเป็นเดือนเดือนอยู่เหมือนกันกว่าที่มันจะออกจากใจจริงๆริงพอเราทําทิศข้างหน้าได้เราก็ทําทิศอย่างนั้นนะข้างหลังตรงกันข้ามแล้วก็ไปทำทิศทางขวามือเราทางซ้ายมือเราแล้วก็ไปทำทิศทแยงมุมทิศทแยงมุมเป็นแฝดทิศแล้วก็ไปทำที่อยู่พวกที่อยู่เบื้อบงบนของเราทั้งหมดที่อยู่ใต้ฝั่งเราทั้งหมดจนกระทุ้ ทะลุพื้นแผ่นดินโลกไปตัวอนะันันเจดักรวานภายนอกข้างล่างนอกโลกออกไปไม่มีที่สุดไม่มีมารไม่เจือกที่รักมาที่ชังเราก็นึกนึกนึกนึกึนน้อมอย่างเนี้ยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเราไม่ไม่ได้เอาพิจารณาอย่างอื่นมาแทรกเลยทั้งวันทั้งคืนเลยนะตอนเนื่องไม่ขาดสายเลยตึกสว่างแล้วเราก็ยังทําอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นวันววศุกร์แล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยเราก็นึกอยู่อย่างนั้นแ่ะเสร็จแล้วเรานึกถึงความรวยเสร็จเราก็นึก อย่างอื่นด้วยนึกมีอะไรบ้างละ่ะที่เราให้หมดแล้วอยากรวยตอนนี้แต่ละคนมันก็มีอยากความอยากเยอะแล้วแต่สารพัดเออยากอะไรละ่ะสารพัดเลยที่ว่าเราอยากอะไรอ่ะเรานึกให้หมดเลยแล้วเราให้กว่าให้คนอื่นเนี่ยได้มากกว่าเราลอยเท่าพันธทวีจริงๆออกจากใจเราไม่ใช่ว่าแสซ ง, งเฉยเราปรารถนาจริงๆออกจากใจเรา ไม่ว่าเราจะชอบอะไรอยากได้อะไรเราอยากมีตําแหน่งสูงสูงมีครอบครัวดีดีมีลูกหลานเยอะเยอะมีทรัพย์สมบัติมากมายมีบ้านใหญ่ๆมีรถราคาแพงแพงมีเครื่องเพชรเครื่องทองมากมายมีอะไรก็อเยอะแยะเราก็นึกให้หมดเลยแล้วเราก็ให้กับพันธุ์ละอย่างละอย า, ากจนกระทั่งทุกคนเนี่ย ท, ทุกท่านเนี่ยได้มากกว่าเราหมดทุกอย่างเลยร้อยเท่าพันทวีจะอ่อ ก, กใจของเรา ตอนมันเป็นความรู้สึกที่มันมันปลอกไปแจกใจร้อยปรซ็ไม่มีเงื่อนไขจริงๆเนี่ยมันเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆคือมันเหมือนเป็นน้ำอำมฤตมาชโลมใจยังไงไม่ทราบมันอิ่มๆเย็นๆและมันมีความสุขมันเหมือนอะไรนะอมลุกอมที่หออะไรที่มัน มันอมก็ไปแล้วมันเย็นไปถึงใจไอ้ยี่ห้อเลยมันแต่มันก็เย็นเย็นอยข้างในแต่ไม่ถึงใจหรอกยี่ห้อเนี้ยยี่ห้อออไอ้ทุกอมมาที่มันกินเข้าไปแล้วมันเจื้อเข้าไปถึงใจมันเย็นเย็นเข้าไปข้างในเนี้ยใจมารู้สึกเย็นเย็นอิ่มอิมเย็นเย็นเป็นความสุขที่สุขใจที่ได้ให้ทุกคนที่เขาได้มีมากกว่าเราร้อยเท่าพันทวีไม่มีใครเลยแม้แต่จัตเจริญฉานที่ได้น้อยกว่าเราเปรตสุรกายสัตว์นรกก็ได้มากกว่าเราทั้งหมด พอใจมันอิ่มอิมเย็นเย็นมันกลายเป็นมากขึ้นนะนี้มากขึ้นปริมาณมากขึ้นอย่างรวดเร็วอิ่มอิ่มเย็นเนเนี่ยมากจนมันลดออกไปจากกลายออกไปจากใจเราเหมือนเลื่อนแตกเลยตอนนี้บึ้มออกไปมันไม่มีขีดจํากัดไม่มีอะไรขีดกวางเลยไม่มีอะไรขีดขั้นเลยอ่ะมันบึ้มออกไปมันเคลื่อนแตกออกไปทุกทิศทุกทางเนี่ยโอ้ยมันเหมือนกับว่าไม่ว่าอะไรในโลกนี้มันกระเด็นไปหมดเลย ต้นไม้ต้นไม้เหมอนเหมืนก็ถอนรากลอยออกไปเลยทั้งจักรวาลเหมือนทุกอย่างมันลอยไปได้เลยอ่ะมันไหลออกไปสู้สู้สูเหมือนน้ำมันเกลื่อนพังแล้วพวกต้นไม้มที่ขวางากระเด็นหมดไม่อะไรไม่มีอะไรขวางได้เลยมันเหมือนไหลออกไปสู้สูสูเหมือนตัวมันแห้งลงมามันเหมือนจะตัวมันแห้งแห้งไปแห้งไปมันไหลออกไปจะมันเหมือนกับตัวมันแหหายไปเลยันรามีความรู้สึกว่า นี่เนี่ยตอนอดิษฐานจิตอดิษฐานจิตลงของลงอะไรตาสมัยนั้นเนี่ยก็ยังเราก็ยังอายุไม่มากอะไรคิดอะไรอดิษฐานลงของแบบเนี้ยสกิร ท, ที่สุดในโลกแล้วขนาดจิตขนาดเนี้ยคิดที่มีเมตตาขนาดเนี้ยมันเป็นจิตที่สกปรกในโลกแล้วเรากตนนาา็ตอนเช้ามาพอตอนเช้าเราไปเจอคนดีหาขนมขายเดินตามถนนเนี่ย เราก็ต้องศานกลัวเขาจะรถชนพวกที่สายรถขายขนมขึ้นสะพานขึ้นถนนไม่ไหวบางทีคนเขาก็บีบแต่ไล่ด่าเพราะว่าทําไมรถติดเกะกะเขาก็ยึ่งบเงินเงินใหญ่คนแก่ที่ก็กรหาบขายปิ้งขายนะมีเตาอยู่ในกระดาษแล้วก็มีขายปิ้งข้างหลังแล้วก็ไปปิ้งขายคนแก่ด้วยแล้วก็เตาก็ใหญ่ด้วยหนักขนาดเราก็ไม่ตาต้องศาล ไม่รู้ไปเลยนไอ้สองสารมันแล้วกออ็ขายดีขายหมดนะขอให้แก้วคาดจากคันตรายเนี่ยเดินเก่งๆกันการเดินรถ ก, ก็นชนหลหรอขอให้ใหปลอดภัยนะแก้วคาดจากความปลอดภัยขายดีขายหมดีก็มีคนเดินชนเขาอ่ะขายเคยล้มแตกหมดตัวเขาก็ล้มเฮ้ยคนที่ชนต้องเหมาเขาหมดเลยขายดีขายหมดเลยเหมาหมดกระจาดเลยอย่างเนี้ยมันก็แปลกจริงๆอะ่ะเราเห็นความแปลกแกกันเนี่ยหลายอย่างแต่ไม่ได้สร้าง เราอยู่่ก็สร้างบิลขึ้นมาเป็นทีเดียวนะโอ้โหเราแบบว่าทานานมากเลยแบบนั้นนานหลายเดือนจนกระทั่งมันเป็นจริงจากใจสิ่งที่มันหายไปคือความอิจฉาเสียมันหายไปจากใจนั่นแหะสิ่งสำคัที่สุดความอิจาเสียความไม่ปารนาให้คอื่นได้ดีกว่าเรามันหายไปจากใจนั่นแหละสิ่งที่มันหายไปแล้วมันมีความสุขมากอันนี้มันดีมากเลยสาคัญมาก จะได้นะทําได้ทําได้ดี ด, ดีเราก็สนับสนุนนะแต่นี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเทคนิคแนวทางหนึ่งนะส่วนแต่ละคนก็ไปทำเองแต่เราส่วนฉ้าพอเราเป็นอย่งงางนั้นแล้วตอนหลังเมื่อเรามาส่วนบทบทบาลีที่กาแฟนะมันก็มันก็ถึงใจไปเองเนะี่ยแต่เมื่อก่อนเราเริ่มต้นจากบทบาลีที่กาแฟแปลมามเราก็นึกถึงบาลีด้วยนึกถึงคำํำคำแปลด้วยแต่มันไม่ถึงใจ สะเพสสะตาเลนตาเนี่ยมันไม่ถึงใจเลยมันก็แบบว่าว่าตามเข้าไปเรื่อยๆเหมือนคนทั้งหลายมาสวดทุกวันน่ะแต่ใจไม่ได้เป็นผู้ให้จริงๆนะแต่เรามันเป็นผู้ให้เรามันมีเมตตาเราว่าเนี่ยเรามันเมตตาทุกวันเนี่ยอย่างนี้ได้ที่เราสอนทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนมาก่อนเราสอนพวกท่านเหมนทกกรู้เนี่ยเราสอนเราสอนพวกท่านไหมด้วยกี่วันกี่คืนเราก็ไม่ได้นอนเหมือนกับพวกท่านกลางวันก็ไม่นอนกลางคืนก็ไม่ได้นอนอย่าว่าเราเนี่ยลุกไปนอนเลยเรานั่งสอนอยู่อย่างเนี้ย เหมือนก้อนหินอยู่อย่างเนี้ยทั้งวันทั้งคืนเริ่มตั้งแต่วันศุกร์โมทีก็ไปจบอวันอาทิตย์แล้วปล่อยทุกคนไปทำงานวันจันทร์เราไม่เคยลุกไปเลยไม่เคยลุกไปนอนและเราไม่เคยนั่งสบงบเลยเราอายลุกสิทธ์มากเลยท่าเราสอนเขาให้เขามีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันแต่เราเป็นคนสอนเรานั่งหลับสบงบตัวเองเราไม่เคยทำเลย ไม่ว่าเราจะข้ามวันกี่วันกี่คื น, นเราไม่เคยนั่งหลับสงบให้ลูกสิทธิเปียเลยแล้วเราสอนให้ลูกสิทธิ์เราไม่หลับไม่นอนทําความเพียรมีสติตืน่นรู้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยแม้แต่ห่างนี่เองก็ยังไม่ไม่นอนกี่วันนะไม่ล้มตัวลงนอนกี่วันไม่ถึงครั้งนี้นครับไม่ใช่เขาก่อน น, นู้นอะที่มาปฏิบนะัติมันก็มีนอนนอนอยู่เรื่อยๆครับลูกตาแเราก็ทั้งหมดกันสักแค่หกวันนะครับ มันก็ไปแบบบางคนก็ไปแอบบแอบบบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งหลับบ้างอะไรบ้างนะแต่ก็อยู่กันได้ห้าวันหกวันเจ็ดวันเลยแต่เราสอนเนี่ยเราไม่ไม่มีสงบงเลยงั้นแต่เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้นะเดี๋ยวนีไ้ไม่ไหวสั้งขาไม่ไหวแอบบไปนอนบ้างเดี๋ยวนี้ก็แอ บ, บไปนอนบ้างเมื่อกี้ก็ไปนอนมากรอบหมดเลย bom, bom, bom, bom, bom, bon, บอกบอกกับบอกกับล้าท่านอบอกว่าเรากรอบหมดเลยเมื่อวานนี้หลายรอบทั้งไรสวดมวนต์รอบคํำสวดมนต์รอบคำข้ามปีใหม่ ด้วยอะไรด้วยสอนด้วยหลายรอบกรอบเลยเพาไหวความเมตตาของเราเนี่ยนะในในทุกวันเนี้ที่เราสอนพวกท่านปรารถนาพวกท่านได้ดีมีสุขพ้นจาทุกกันทุกคนเนี่ยเราให้ความรักพวกท่านเหมือนกันหมดปรารถนาให้อดีพรรยาของเราลูกของเราลูกหลานปรารถนาพ่อแม่พี่น้องปรารถนาให้พวกท่านทั้งหลายปรารถนาให้สัพสัตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ดีไม่ใช่มนุษย์ก็ดีเทพเทวดาอินทรพร ม, มยมยักษ์นาคคูตคนทัน สตว์เจริญานเปตรตเอาสุรกายสัตวนรกตัประสัททั้งหลายมนันลดทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดเนี่ยเวลาเราสอนทำทั้งหมดเนี่ยเราก็ที่ฐานไอเสียงทำเสียงที่เราสอนทำในทุกครั้งที่เราสอนทุกที่และให้อํานาจจิตแห่งธรรมอำนาจแห่งธรรมที่มันผ่านกระแสจิตเราไปเนี่ยให้เข้าไปถึงจิตใจของทุกท่าน ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใดไม่มีทุกที่ทุกทางไม่มีที่สุดมันมีประมาณไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กระดีไม่ใช่ไหมมนุกระดีไม่เลือกที่รักหรอกที่ช่งไม่มีทั้งไม่มีที่ช่งมีแต่ที่รักปรารถนาให้พ้นทุกที่ช่างไม่มีมีแต่ความปรารถนาดีให้พ้นทุกอย่างเดียวเราไม่ได้สอนท่านแล้วเราช่วยแค่พวกท่านตรงนี้นะใจเราเนี่ยมันใหญ่มากเราปรารถนาให้ทุกท่านพ้นทุกในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ แม้แต่เขาไม่ได้ยินแต่เราก็อธิษฐานในเสียงเราไปถึงเขาให้ได้ไม่ว่าเขาจะอยู่กาลปิใดแต่เขาได้ยินแล้วใจเขายังไม่เป็นธรรมก็ยังมีเมตตาว่าขอให้กระแสจิตของฉันเนี่ยความเมตตาของฉันเนี่ยเข้าไปทะลุทะลวงภายในจิตใจของเขาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กรดีไม่ใช่มนุษย์กดีไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดโลกทาตุใดไม่ว่าจะอยู่จักรวาลใด ไม่ว่าจะอยู่กลยหรือกายเป็นใดทุกทิศทุกทางไม่มีที่สุดเป็นพิจมานให้มันไปดับวิชาดับมิจฉาทิฏฐิให้เขารู้ทำเห็นทมจนสิ้นกิเลสกัญหาสิ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันโดยการทั้งหมดทุกคนทุกท่านไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ยินก็ยังตัดแทกทะลุทะลวงจิตใจซึ่งมันขวางไว้เป็นทิฏฐิให้มันระเบิดออกให้ได้ ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็แท้ก็ทะลุทลวงทําลายให้หมดสิน้นดับมิจฉาทิฏฐิไปให้หมดให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้เป็นอริยมรรคเป็นองแปดอริยมรรคองแปดของสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เดินตามทางธรรมให้สิ้นกิเลสตัณหาสิ้นทุกในปัจจุบันเนี่ยความเมตตาอย่างเนี้ยมันคงเป็นความเมตตาที่ตึที่เราได้เมตตามาตั้งแต่ ทางนู้นน่ะเนี่มันเลยเนี่ยเมตตาแล้วมันจะเมตตาใกล้ๆมันเลยเมตตาออกไป ท, ท, ทุกที่ทุกทางไม่มีที่สุดไม่มีมานเราทําอย่างเนี้มนยมาเรื่อยๆมันเลยจึงเป็นความเมตตาเราเลยสอนเนี่ยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมีคนฟังคนหนึ่งเราก็สอนเพราะว่าเราเมตตาคนฟังคนหนึ่งแต่ผู้ที่เราไม่เห็นเนี่ยที่พวกท่านทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยที่ได้ฟังได้ยินได้รับรู้ ได้ธรรมะได้เข้าถึงจิตถึงใจมันมีมากกว่ามนุษย์มากมายหลายร้อนหลายร้อยหลายพันเท่าในทุกแดนโลกประทานเหมัอนคนนึงก็ต้องสอนสอนอยู่นี่นะทั้งวันทั้งคืนหมดเวลาแล้วก็ตั้งเวลาไว้เราก็สอนจนคนที่ตั้งเวลาแล้วก็อือาจารย์ไม่เป็นไปตามเวลาก็เป็นห่วงสุขภาพเราเอราก็สอนสอนอย่างเนี้เราปรารถนาดีจริงๆนะ ว่าเรารู้ว่าเออร่างสังขารร่างกายเรามันมันทุดโมเยอนะแล้วเราจะตายหลายครั้งแล้วแต่ได้บุญวัสนะบา ร, รมีที่เรามีปัจจนาดีต่อผู้อื่นนี่มั้งก็เลยทำให้เราลอดตายแต่มันยังไงคนเราที่สุดก็ต้องดับลงเราก่อนจะตายแล้วก็ทิ้งความดีทิ้งคำสอนไว้ให้ ของท่านทั้งหลายแเราก็ทําเนี่ยตอบแทนคุณพระพุทธเจ้าคุณนองค์ธรรมคุณพระเนรสงคุณบิดามารดาที่ให้กําหนดเรามาให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ พ, พู้ปฏิสัตย์สนามมีผู้สอนธรรมยี่ทํามมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นพาหลานมากมายเนี่ยเราก็ตอบแทนคุณท่านพุทธเจ้าก็ทําอย่างนี้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยาอาจจะกวงตัดสลุกแล้วก็ช่วยผู้อื่นไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนดับขาดเป็นนิพพานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ช่วยเหลือผู้อื่น เห็ดเหนื่อยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยช่วยอยู่นั่นเนี่ยจนทั่งดับการปฎินญาพานไปเราก็ไม่รู้เป็นกรรมหรือเปล่าเราก็ไปอธิษฐานท่านขอให้ต่ออยุให้มียุยืนมียุยืนถ้าก็ต่อให้ได้ทีละองค์หนึ่งสองปีสองปีต่อไปสองสามครั้ท่านก็มรณะภาพคือมันต่อไม่ไหวพวเราที่สุดก็ต้องยอมแพ้แก่สังาขารเอาเมตตาต่อให้ถ้าก็ล้มตายเหมือนกับจะเหมือนกับตายไปแล้วตัวเขียวแล้วเล็บเขียวหมดแล้ว ไปอ่อนวอท่านอ่อนวอนอนวอนเราท่านตับอนุญาตเสด็จปู่ทาเราเนี่ยอ่อนวอนท่านอีสองรอบแต่เขาบอกว่าก่อนที่เราจะมาพบท่านได้ก็ต่อออกมาทั้งหลายครั้งนะครรอเราแล้วไม่มาสัทีพอเรามาแล้วเราก็ยังขอท่านต่ออีกเพราะว่าท่านพอเจอเราเท่าก็ปล่อยวางเลยสองขานตัวเกี่ยวเล็บเกี่ยวแล้วจมูกเล็บเกี่ยวหมดแล้วนอนนิ่งไปแล้วทุกไม่มีใครเท็เข้าไปแตะตัวท่านแล้วทุกคนทุกท่านนั่งเงียบหมดแล้ว เราก็มาขอท่านขอขอขอขอขอขอขอเมตตาเมตตาแต่ตก็ตอให้ครั้งละสองครั้งสองครั้งสุดท้ายขอท่านอีกครั้งหนึ่งท่านก็บอกว่าจะเอาอะไรกับปาปิษุผู้ชลาแล้วสังขารเปียบเหมือนเวียนที่ผุพังหมดแล้วจะเอาอะไรกับพระผู้ชลาอีกแล้วทุกอย่างก็ให้หมดแล้ว ให้จะไม่มีอะไรจะให้แล้วให้จนหมดแล้วแล้วจะเอาอะไรกับพักที่ชลาแล้วให้เอาธรรมคำสอนเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติอย่ายึดเอาตัวบุคคลให้เอาหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติให้มันรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงท่านฉลามากแล้วกราฉลามากแล้ว จะมาเอาอะไรกับท่านอีกท่านให้จนหมดนะหมดหัวใจเราก็เลยอึ้งไปเลยเราก็ขอท่านมามากแล้วรบ ก, กวนท่านมามากจริงๆเรายังไม่ยอมปล่อยท่านอีกพอท่านก็ชรามากนะท่านอยู่ให้จนถึงอายุเก้าสิบแปดเราเลยยอมแพ้กราบแทบเท้าท่าน แล้วท่านก็มลณภาพท่นนานมรณภาพก็แม่ครูอาจารย์ก็เก็บอธิษฐานไว้ให้เราเป็นพิเศษเห็นว่าหลวงปู่ท่านรักเรามากเราปรลักหลวงปู่มากให้เก็บอธิษฐานไว้ให้เราเราเห็นเท่าอาทิตย์หลวงปู่แล้วที่ เขาเก็บไปให้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เก็บไปให้เรานึกสะท้อนใจบอกว่ากระผมไม่ไม่รับแล้วครับพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านให้ธรรมะแ ก, ะก่กระผมจนหมดหัวใจท่านไม่มีอะไรเลยให้จดขึ้นให้จดหมดไม่มีอะไรหวังติ่งตอบแทน ผมจะมาเอาอะไรกับกระดูกของท่านผมเห็นกระดูกของท่านแล้วผมก็เห็นว่าพัานอุตสาหสละสังขารของท่านต่ออายุมาให้เราก็หลายครั้งความทุกข์ทรมานของสังขารก็เจ็บปวดจนกระทั่งท่านสู้ไม่ไหวแล้วก็ก็ดับไป เราเห็นสังขารท่านทำให้นึกถึงท่านบอกว่าอย่าให้ผมเลยผมไม่เอาหรอกทำที่ให้ผมมามากที่มากเกินไปแล้วผมยังนำไปเ พ, พื่อปฏิบัติไม่ได้เลยผมจะเอากระดูไปทาไมเราก็เลยไม่เอาอเดี๋ยเราก็ไปรบกวนพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านอย่างนั้นท่านอื่นต่อไปอีก เรื่อยไปมันควรจะเป็นกรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้หลูก ต, ตามาหาบัวท่านกล่าวก่อนมรณะภาพว่าเราปวดมากเหลือเกินในร่างกายเราเนี่ยเราเจ็บปวดหมดทั่วทั้งร่างกายไม่มีตรงที่ใดในร่างกายเราไม่ปวดเลยยากที่คนธรรมดาทั้งหลายจะทนได้ แต่ใครไม่รู้เลยว่าเราปวดมากมายขนาดไหนบีแตดท่านเหล่านั้นขอให้เราต่ออายุเมื่อขอให้เราต่ออายุต่อายุแต่ไม่มีใครเลยที่จะรู้ว่าเราปวดมากเลยในร่างกายเราเนี่ยไม่มีที่ใดที่ไม่เคยปวดเลยไม่มีที่ใดที่ไม่ปวดเลยยากที่คนธรรมดาจะทนได้โอ้โหเราอ่านแล้วเร า, าเตือนใจมากเลย บาที่เราไม่รู้ว่าเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าแต่สังการของท่านมันลำบากจริงๆแม้แต่มีพระฤาษีสงในปัจจุบันที่ท่านยังมีชีิตอยู่เราก็ไม่เอ่ยชื่อท่านนะเราก็ยังไปขอต่ออยูุไว้ท่า น, น, นสองครั้งครั้งแรกท่านก็จะดับแล้วเราก็ ไปขอท่านกันเงียบแต่เรารู้ว่าท่านจะดักแล้เราก็ไปอ้อนวอนอ้อนว อ, อนอยู่ยคนเ ด, ยนนเยเดียวก็ท่านก็เฉยจนกระทั่งเราก็เลยไปบอกให้พระเทราผู้ใหญ่บอกรวมผ้านในวัดไปขอท่านเพรพ่อแม่คุบาอาจารย์จะละสังขารแล้วแต่อย่างว่าเนี่ยพระเทรท่านเห็นว่า มาในวัดไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไปขอก็บอกว่าขอให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีชีวิตอยู่เถิดก้าวกับผมพวกกระผมจะประพฤติปฏิบัติต า, ามหลักธรรมคาสอนตามคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อให้สิ้นกิเลสในปัจจุบัน ส, สิ้นกิเลสและความทุกข์ในปัจจุบันแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะรู้ว่าก็รู้ว่าละจิตว่าหรือก็เห็นความประพฤติปฏิบัติว่าไม่ได้สนใจจริงๆ แ ต, แต่มาขอให้มีอายุขอให้ต่ออายุแต่การประพฤติปฏิบัติไม่ได้นำไปพฤติปฏิบัติจริงหรอกพุธทุกวันก็ไม่ได้ปฏิบัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะจะไปขอท่านก็ไม่มันก็ไม่ถึงไม่ไม่ลงแก่ใจท่านไม่ถึงใจท่านเราก็เลยไม่มีใครเอาก็เอาเพราะว่าท่านก็รู้ว่าวารจิตรู้ความปัจจานาดีเราก็เลยบุกแอบขึ้นไปหาท่านตอนตีห้าไปอ้อนวอน เอาความจริงใจเขาแรกจนท่านยอมก็อยู่ต่อมาได้อีกสองปีอาป้าวพอกบสองปีอา้าวท่านจะละสังขารอีกแล้วเตรียมว่าเตรียมที่เผาศพตอนนี้ใช้แผนเก่าไม่ได้และวว่าจะขอปฏิบัติธรรมตั้งใจจริงๆเพราะว่าถ้าเรเห็นว่าเราปฏิบัติมาแล้วแล้วก็ที่เหลือเราก็จะปฏิบัติ ท่านเห็นว่าเรามีลูกสิษลูกขามากมายสอนแต่ลูกศิษย์เราก็ตั้งใจปฏิบัติท่านเลยเมตตาลูกศิษย์เราท่านก็เลยอยู่ให้เราบอกว่าโอ้ยพ่อแม่ครูอาจารย์มีมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อโลกมากจะพึ่งทิ้งสังขารนี้ไปเลยไปอ้อนวอนท่านลูกศิษย์ลูกขาเมามากแล้วพ่อแม่ครูมาแล้วมมมมลไม่เห็นพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วจะเป็นยังไงมันก็ว้าเองแล้วไม่มีใครที่จะคอยอบรมคอยดูดา่าคอยว่าเหมือนพวกท่านทั้งหลายเนี่มันต้อง คอยมาดุ่อยว่าให้ตั้งใจไปพฤทธปฏิบัติแต่พอข้างหลังนี่ใช้แผนเก่าคำพูดเก่ามันไม่โดนใจท่านไปอ้อนวอนอย่างเดิมมันไม่โดนใจไปอ้อนวอนอย่างเก่าตอนท่านจะลิราชิงสถานสลังนี่ท่านให้เตรียมเตรียมสถานที่และเตรียมสถานที่ให้เผาศพท่านเราไปอ้อนวอนท่านมันใช้แปดมันใช้คําพูดเก่ามันไม่โดน ไม่โดนใจท่านไม่รู้จะทำยังไงหมดหนทางท่านก็จะสิ้นเราก็รู้ว่าท่านจะสิน้นเราก็เลยใช้ความจริงใจแลกเลยแต่บุญวาสนาที่เรามีเมตตาต่อผู้ อ, อื่นมันก็ได้รับความเมตตาตอบแทนเราไปกราบหลวงปู่ท่านหนึ่ง อายุร้อยกว่าปีเรานึกยังไงไม่รู้อยากไปหาท่านเราไปกราบท่านเห็นท่านนอนอายุร้อยกว่าปีนอนแบบแบบอายุร้อยกว่าปีแล น, นอนไม่รู้เรื่องนะเราก็นึกว่าโอ้โหว่คนทั้งหลายยังมาลุมท่านเงีงท่านอายุร้อยกว่าปีสังขารท่านไม่มีสภาพเลยและไม่มีสภาพที่จะอันแล้วท่านจะได้พักผ่อนไม่ได้พักผ่อน เป็นรบกวนท่านเราก็เลยพอคนว่างเราก็เลยขอโอกาสเข้าไปกราบหน่อยแค่ไปกราบท่านเนี่ยเราก็เราก็ลุกเลยเพราะว่าโอ้เป็นรบกวนอะไรท่านอีกเราก็ไปแค่กราบท่านเน่ยพอกราบท่านเราเดินหันหลังกลับได้ยินเสียงพระอุปถัมภ์บอกว่าลงตาลงตาลงนั้นนะ่ะลงปู่ท่านเห็นอะไรในตัวลงตาไม่รู้ฮันกลับมาก่อนกลับมาก่อนอเราก็เลย หันกลับไปดูปรากว่าหลวงปู่ท่านนั้นเนี่ลุกขึ้นนั่งตาใสาเป้าเลยตาวาวเหมือนกับเด็กแต่มันมีอำนาจเหมือนดัง อ, อะไรนะ่ะเสือหรือทิงโตที่วาวมากเลยแล้วจต่มีอำนาจยิ่งกว่ามหาสานจนเทียบไป่ิดแต่มันวาวอย่างนันเลยมาเกเ็นอนอยู่ไหมทาไมจุกกระดานเด้งดึงขึ้นมาอย่างนี้ได้เรางงเลย เลยพากุฏาคว่าวเราว่ามีพูดได้ด้วยเหรอเนี่ยพากวฏาบอกพูดได้ไพูดได้เลยๆเขาไปหาท่านเราเคารพนับถือท่านเพราะว่าท่านร้อยกว่าแล้วนท่านสารท่านก็สูงมากแล้วเราก็เลยเคารพนับถือท่านแล้วก็ไปเอามือพยายามจับเอามือท่านมาจับที่กระเราเราก็เหมือนทําเราก็ทําตัวเป็นเด็กๆเนี่ยแล้วก็เมตตาเข้าไปหาท่านแล้วก็เอามือมาจับเทาเท้าท่านอ่ะ มาวงมางบนศีรษะเราเราก็ยอมแหละครนี้บัดีเอามาไม่ได้ต้องเอามือมาจับศีรษะเราท่านกระชากมือหนีเรามีความรู้สึกว่าท่านให้ความเคารพพระถ้าเป็นพระแล้วท่านไม่ทําอย่างนี้แต่ในความเคารพท่านชักมือหนีแต่ตู้กาลังเราไม่ได้แต่เราไปจับมือท่านมันไม่ถูกอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าท่านให้ความเคารพพระทั้งหมดท่านไม่ทํำอย่างนี้แอามือมาจับศีรษะพระเราเลยปล่อยมือท่าน พอปล่อยมือนั่นแหละเราเหมือนเว้าขาดป่านเลยปึ้งมัอนลอยไปทั้งตัวเลยเหมือนกับว่าวที่เด็กเขาเชือกเล่นเชือกว่าวแล้วไอ้เชือกมันขาดอะว่าวขาดกระเด็นเลยพอปล่อยมือกันน่นแหละเมือนกับมันลอยออกไปนอกโลกเลยเลยบอกว่าลุง ป, ปู่อย่าทําอย่างนี้ลุง ป, ปู่เปรตเมตตาอย่าทําอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้อย่าทําอย่างนี้ปรดเมตตาหยุดหยุดยุดยุดหยดเราก็ รีบอ้อนวอนท่านว่าลูกปูอย่าทำอย่างนี้โปรดเมตตาอย่าทำอย่างนี้เมต e ตาอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้แต่ท่านไม่ยอมหยุดเห็นว่าความเมตตาข อ, ของของท่านจะเสียเปล่าเราก็เลยน้อมรับเพราะท่านไม่ยอมหยุดเราก็เลยน้อมรอดึง จ, จะเสียเปล่าก็เลยน้อมรับแล้ ว, ลวต่านก็พอเสร็จแล้วท่าน นอนไปเลยนอนนิ่งไปเหมือนเมนเด็กๆตนี้นนอนนิ่งไปเรากลับไปรับเลามันฟื้นฟูกลับมาด้วยความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สุดๆเลยแต่เราก็เมตรเราก็เอาความจริงใจต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะเรารับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็รับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากแต่เราก็ได้รับสิ่งตอบแทน อยาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นที่ตอบแทนมันแค่ความดีก็ตอบแทนด้วยความดีเราก็เลยลเพิ่มพูนมาแต่ไม่ทราบเราเป็นยังไงก็ไม่ทราบเราไม่อยู่กับหลวงปู่อีกท่านนึงแต่ท่านก็รู้ว่าถ้านก็ไม่พูดแล้วอยู่ๆท่านก็ชวนเราไปอินเดียบอกว่าหลวงตาเคยไปอินเดียไหมเนี่ยหลวงพ่อก็ไปหลวงพ่อก็ไปเนี่ย อยู่ๆกันหลงตาหลวงปู่ก็ละละกชวนเราไปอินเดียหงตาเคยไปไหมเราบอกว่าเคยไปแต่เป็นคารวานนานมากแล้ยี่สิบกว่าปีได้วอุ้ยเปลี่ยนพระเยซูแล้วไปกัณบวชนี่ไปชวนเราไปพอเราไปแล้วท่านก็พาไปในที่ต่างๆสี่แห่งแล้วยังไปมากกว่านั้นอีกหลายแห่ง ท, ที่ที่บอกว่ามาสิบสามมาสิบสาครั้งเล ย, ไ ม, เ ย, ยไม่เคยยังไม่เคยมาที่เหล่านี้เช่นที่ที่เขาเก็บบัรลมสาลิกาธาต์ซ่อนไว้ให้พระเจ้าอาโศกะ ที่เขาทำนายว่าต่อไปขา้าหน้าจะามีพระเจ้าอาโศกมาราชมาค้นพบพระบรมสาลิกธาตุแล้วฝ่าสร้างเจดีย์บรรจุในเจดีย์แปดหมื่สี่พันองค์แล้วจะบบุรณะสามเวสสี่แห่งเขาเอาเอาพระบรมสารีริกธาไปซอไ่อมไปหมดเลยที่พระพุทธเจ้าพ่ะเฝ้าเสร็จ แ, แรกแบ่งไป็แปดเมืองไงแต่ตอนหลังอรหันต์กําหนดรู้ว่าต่อไปในข้างหน้าที่จะถูกต่างศาสนามาทำลายอินเดียหมด ที่ที่นรรจุไว้ตามที่ดีต่างๆก็จะถูกทำลายเสียหายก็เลยไปแอบเอามาซ่อนไว้ที่ที่เดียวกันหมดฝังไว้ใต้ดินฝังไว้ใต้ดินแล้วก็พระมห า, า, าคาสปาก็เขียนแผ่นไว้บอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าดับการไปแล้วเนี่ยกี่ปีเราปรจําไม่ได้เท่ไหร่ไม่ไ้เอาศพมาเจ็ด้อยปีหรือไงหรือเท่าไหร่นะจำไม่ได้ละนั่นแหละจะมีกรรษัตริย์ผู้อยากไร เช่พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยมามาเจอที่ที่เอาพระมุสลิไปมันจุดใจดีนั่นแหละพอพระมุสท่านก็พระเจ้าอโศกมหาราชมาเจอนะแหมใครมาว่าเรากระสัผู้อยากไรอุสศลเป็นกระสัที่ยิ่งใหญ่ลบบชนะจดบาสมุดต่างๆหมดเพราะเรากระสับยากไรเพ้ามา ก, กัสบสปาเขียนไปจอ ม, มตะไปเจอแผ่นหลังลึกกว่าไปอีก ลึกลงไปามาเจออีกแก่นนึงอ๋อพระกัอต์ไปปะพระเจ้าอาส่งมาราชจะ ม, มาที่นี่แล้วก็จะมาคนพบที่นี่แล้วเอาไอ้บรรจุอ๋อนี่เขารู้ชีวิตเราประวัติเราตั้งแต่เมื่อหลายร้อยเป็นเป็นป น, นานมากแล้วก่อนที่เราจะมานี่เขาเขียนไว้ละเอียดมากเลยแต่เราจะตายนะจึงรู้ว่าทำไมเขาเขียนไว้อย่างนั้นเพราะว่าชอบทําบุญในทานพระเจ้ า, าอโศกมาราชจะ ม, ม า, ามตั้งพอจะตายพบพวกขลังจะบริพารรีบปิดค้งห้องค้างนี้หมดเลยวัวเพราะพระเจ้าอโศกว่าราจะเอาทัพย์สมบัติไปบริจาคหมด จะหาเงินไปบริจาคไม่มีเลยการไปกรกะจากู้ยากไร่มโหอจายเนตอนไปอินเดียแต่หลังเราพวกลูกศิษย์เราก็ไปไปรุมนวดน้ำปุรีอยู่ๆน้ำปูรีพวกนมาว่าเรามาอินเดียเนี่ยเราพาหลวงตามาต่ออายุล็อกเราเดินไปเดินมาทุกข์อะไรความเมตตาของแม่ครูอาจารย์ก็เราพาลูกตามาลามนดมาลงมาต่ออายุ ล, ล็อเราอินเดียเนี่ย ก็ไม่คุ้มอาจารย์นี่รายการิี่นี่นะเวลาเราเคารพนับถือใครฝากตัวเป็นศิษย์ใครเราเคารพนับถือจริงๆเคารพถือถือได้ใจเรารักท่านเคารพท่านเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นอาจารย์เราอาบน้ําให้ท่านตรงน้ำให้ท่านดวดให้ท่านรักท่านจริงๆแต่เราจะไปเป็นลูกศิษย์ใครเราก็เลือกจริงๆแหละเราเลือกมาก ถ้าไม่ใช่เป็นพระหลานเราไม่ไม่ได้เป็นเราก็ไปอยู่กับท่านนิดๆไปอยู่กับท่านแค่นั้นเนี่ยแค่แด้อาศัยอยู่แต่ไม่ได้เคารพท่านจริงๆเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ครูอาจารย์แต่เราไปฝากตัวเป็นศิษย์แล้วล่ะครับตักท่านจริงๆเป็นพ่อเป็นแม่ครูอาจารย์มัควรจะเกี่ยวพันกันมาหลายภพหลายชาติเคยเป็นพ่อเป็นลูกกันบ้างเคยเป็นอาจารย์กับศิษย์กันบ้างเคยเป็นพี่กับน้องกันบ้าง พอแม่ครูบาอาจารย์ก็คงจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มีความเป็นมาดังนั้นเราจะฟังจากทำจากใครเราก็ต้องให้ความเคารพให้ก่อนศรัทธาแล้วเราก็เลือกคนที่เราเคารพศรัทธาจริงๆมันถึงจะทํานั้นจริ่งใหญ่พอถึงใจแล้วเราก็จะพ้นทุกไปได้ถ้าเราเนี่ยเออยังไม่ศรัทธาทันนี้ทันนั้นทันนี้เราก็หาคนที่ศรัทธาศรัทธาจริงๆนะมันถึงจะเข้าถึงใจนะถ้าไม่ศรัทธาจริงๆไม่เคย ไม่เคยเกือ้อกูลกันมามันก็ฟังไปงั้นแหละค่ะหูซ้ายฉัธาธานรหูขวาแต่จริงมันเข้าไม่ถึงใจเพราะว่าพละห้าอินทรีห้าคือเป็นกลังอันยิ่งใหญ่นั้นเนี่ยที่จะทําให้สู่ความพ้นทุกข์ได้ขึ้นต้นด้วยห้าอย่างอนะ่ะห้าพละห้าอินทรีห้าก็คือศรัทธากว่าระดับแรกศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเน้นท่านเนี่ยที่ฟังทำแล้วมันไม่ก็ทํานั้นนไม่ไหลเข้าสู่ใจ เพราใจของท่านมันขาดศรัทธามันก็เลยใจมันไ ม, ไม่มีกระแสไฟเชื่อมต่อเปิดเปิดใจของท่านได้ไม่มีกระแสไฟเชื่อมต่อเอาธรรมเข้าไปถึงใจของท่านมันได้แต่เข้าหูเฉยแต่ไม่เข้าไปถึงใจเพราะว่ามันขาดตัวศรัทธาไปเปิดใจเพราะมันยังไม่มีใจศรัทธาออกมาจากใจเมื่อว่ามันขาดศรัทธาออกมาจากใจใจมันก็ไม่เปิดเมื่อจะไม่เปิดกระแสธรรมก็ไม่ไหลเข้าไปสู่ใจความจริงแม้แต่ท่านจับฟังและจําไม่ได้แต่ใจของท่านมีศรัทธา ทำนั่นก็ไหลเข้าสู่ใจของท่านเต็มเต็มจนล้นนั่นเอะมันเกินกว่ามันล้นออกจากใจของท่านไปตัวอนันต์จากจักรวาลได้ําไปเปิดแต่ใจของท่านเปิดเท่านั้นเองเพราะใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างใจเป็นความมีลักษณะคุณสมบัติของใจคือเป็นความว่างเช่นเดียวกับจักรวาลความว่างในจักรวาลไม่มีขอบเขตไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีขอบเขตอะไรไม่มีไม่มีวงไม่มีดวงอะไรเลยเปิดแต่ความว่าง ใจนั่นแหละเป็นความว่างเปล่าแต่รู้ได้นะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจแต่ตัวมันกลับเป็นความว่างไม่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเมื่อใจเราเปิดใจแล้วไอ้ที่เปิดใจว่าก็ไม่มีใครไปเปิดไปปิดหรอกมันเป็นคำปรึกษาพูดคือไอ้ที่ตีเราน่ยมันขวางแต่เราเอาที่ติมาขวางมาเท่ากับไม่เปิดใจพอเราเปิดใจแล้วไม้แต่ฟังทำแบบไม่เข้าใจคือเราฟังทำแล้วเนี่ยเราจําได้ไม่หมดไม่ใช่ไม่เข้าใจคือ แม้แต่เราฟังทำแล้วมันจําได้ไม่หมดมันเข้าหูมันใครจะไปจําหมดล่ะพูดตั้งนานอย่างเงี้ยมันเข้าหูแล้วมันก็ทะลุหูซ้ายทะลุหูขวาไปมันก็จำไม่ได้บ้างไม่จําไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่พอมันเปิดใจต่อกันแล้วนะมีก็คือศรัทธานี่แหละเป็นตัวเปิดใจพอมีความเปิดใจต่อกันแล้วเนี่ยมันแม้แต่จําได้ไม่หมดเนี่ยแต่มันถึงใจมันถึงใจจริงๆพูดธรรมะถึงใจ เนี่ยพุทธธรรมถึงใจทำ ม, มันถึงใจพุทธธรรมถึงใจพอมันถึงใจแล้วเนี่ยมันล้นออกจากใจไปสู่อ น, นันต์จักรวาลโลกธาตุเลยมันจะวัดเต็มอยู่ในใจเพราะใจมันไม่มีไม่ได้เป็นเหมือนไหายปะลาหรือเป็นหม้อหายที่ที่ที่เก็บไว้ได้แค่ในหม้อเพราะใจมันมันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติของจักรวาลนั่นแหละมันไม่มีวงไม่มีดวงไม่มีขอบเขตไ ม, มมไม่มีหม้อไม่มีไหาอะไรหรอกมันก็ล้นใจของเราไปสู่จักรวาลนัะนะ่นแหละ ไอตัวที่มันไม่เปิดก็คือทิฏฐิเพราะอะไรก็เพราะไม่ศรัทธาวันถ้าเราเนี่ยจะไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ใครเราต้องหนึ่งเราต้องหาคนผู้ที่ปฏิบัติชอบที่ท่านสามารถบรรลุมรรคผล น, นิพพานแล้วหรือท่านพูดได้ชัดเจนสอนได้ชัดเจนตัวท่านเองก็ปฏิบัติได้สอนเราได้อย่างที่ท่านทำาำอย่างที่สอนสอนอย่างที่เราทําสอนอย่างที่ท่านทําเมื่อเราไปหาคนอย่างนั้นพบสองเรามีความศรัทธา ศรัทธาต่อท่านจริงๆรักท่านพบท่านแล้วเรารักรักท่านจริงๆมีความศรัทธาและบวกกับความรักท่านจริงๆอย่างนี้ใจของเราถึงจะเปิดเวลาท่านสอนทำเราจําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ทำเนี่ยมันล้นหัวใจของเราท่านพูดออกมาแค่คําเดียวมันก็โอ้รู้สึกเป็นปลื้มไม่รู้เป็นอะไรพ อ, อท่านพูดออกมากับเราก็เป็นปลื้มแล้วเราดีใจมากสุขใจมากเป็นปลื้มแล้วแค่นั้นแหละนี่เขาเรียกว่าศรัทธาทำมันก็ไหลเข้าเองแหละ แต่เราไม่สถาทธาก็แกไดี๋ยฟังกล้วมันจําจได้มังจําไม่ได้มังแต่มันก็ไม่ถึงใจไม่ยิ่มใจไม่ไม่ฟังแล้วมันไม่ถึงใจอถึงใจมันก็ไม่มีทีจะถึงแต่เป็นภาษาพูดเราถึงใจมันจะพูดกันถึงใจเอนั่นเราต้องหาแบบเนี้ยไหปหาครูบาอาจารย์ที่เราถึงใจนะเราที่ถึงใจต่อเขาเรายอมเขาเป็นรับเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูอาจารย์จริงแล้วมันก็จะถึงใจนะ อ่ะฟังเยอะแล้วแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครมาที่หลังฟังไม่ทันเดี๋ยวก็เปิดให้ฟังเนาะแล้๋ยวก็ไปประพฤติปฏิบัติกันเข้านะให้มันถึงใจปฏิบัติให้มันถึงใจฟังธรรมให้มันถึงใจอยแล้วก็ฟังแล้วก็ไปปฏิบัติกันเข้านะ